ได้ไงพ อ, ม า, อ, อ ม, มาไม่ฟังไม่เบื่อเลออยถ้ามีกาก็จะมาอีก อ, อยู่กันตกันแค่นี้นะอยู่ใกลก็เหมือนใกล้อยู่ไกลก็เหมือนใกล้ไม่รู้ว่าเป็นใกล้เกลือกินด่าือ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 ไก่มันคุยเคียหาอาหารหาตัวตัวนอนตัวไส้เดือนกินเป็นอาหารเอเจอพลอยเจอเพชรมันก็เคียร์เ ท, ง, ทงเคียร์เทงไปเพราะมันกินไม่ได้มันไม่รู้คุณค่าของเพชรของพลอยถ้า ม, มันเก็บไว้เอาไปขายเอาไปเปลี่ยนเป็นตัวหนอนตัวไส้เดือนได้เป็นเป็นแสนตัวธรรมะก็เหมือนกัน ธรรมะนี่เป็นเหมือนเพชรเหมือนพลอยมีคุณค่ามาหาศาลแต่เราไม่รู้คุณค่าของมันเราเห็นคุณค่าในลาบยศสรรเสริญเงเลยหาราบยศสรรเสริญพอเจอธรรมะก็เขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งไปรอุตตะเจ้าบอกรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวง รถแท่งธรรมนี้เป็นรถที่อริดอร่อยที่สุดดีที่สุดวิเศษที่สุดมีคุณค่ามากที่สุดแต่เราไม่เห็นคุณค่าของธรรมเราไม่มีปัญญาเหมือนไก่ไม่มีปัญญาไม่เห็นคุณค่าของเพชรของพลอยเห็นคุณค่าของไส้เดือนตัวนอน เราเห็นคุณค่าของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสเราจึางวิ่งหาแต่ลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสกันส่วนธรรมะนี่เราไม่หากันเพราะเราไม่เห็นคุณค่าไม่มีปัญญาที่จะเห็นคุณค่าของธรรมนางในบท ที่เราสวยกันว่าเวีนวนยนโยชนธรรมะเป็นเป็นสิ่งที่เหมาะกับวิยโยชนคือคนฉลาดคนที่มีปัญญาคนที่รู้คุณค่าของธรรมเหมือนคนที่รู้คุณค่าของเพชรของพลอยคนที่ไม่รู้คุณค่าของเพชรของพลอยจะ อ, อาจจะโยงทิ้งไปก็ได้ที่ว่าเป็นก้อนหินก้อนไม่รู้จะไปทำอะไรก้อนหิน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 รถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงนี้เป็นอย่างไรคือความสุขที่ได้จากธรรมนี้มันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองเพะฉนั้นถ้าเรายังไม่เห็นคุณค่าของธรรมสิ่งที่เราต้องทาก็คือศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาภาพรประวัติของพระพุทธเจ้า ศึกษารประวัติของพระ อ, อ, อริยสงสาวของพระพุทธเจ้าว่าทําไมท่านจึงเห็นคุณค่าของธรรมทําไมเรามองไม่เห็นคุณค่าของธรรมกันพระพุทธเจ้าเห็นคุณค่าของธรรมเพราะว่าเห็นความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่น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 หาความสุขจากลาบยศสรรแลได้เนี่ยเราต้องเห็นตรงจุดนี้กันต้องเห็นว่าชีวิตของเรานี่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนามกายของเราที่เราจะใช้ในการหาความสุขต่างๆจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นของชั่วขราวจะต้องมีวันหมดงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุด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 คือการได้เห็นเทพทูตสีเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชเห็นพระวันนี้พวกเรามาเห็นนักบวชแต่ไม่รู้ว่าเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายหรือยังเลยเห็นแต่ก็ยังไม่ได้เกิดความสะเทินจิตสะเทินใจ ไม่ย้อนเข้าหาตัวเราเวลาเราเห็นคนแก่แ้ววก็คิดว่าเขาแก่เราไม่แก่เห็นคนเจ็บก็คิดว่าเขาเจ็บแต่เราไม่เจ็บเห็นคนตายก็คิดว่าเขาตายแต่เราไม่ตายมันยังไม่สะเทือนใจเราแต่ถ้าเราพลิกมันกับเหมือนกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันมสีสองกล้องใช่กล้องหน้ากล้องหลัง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 ภาพของคนตายก็เป็นภาพของคนเป็นอีกถ่ายไว้ตอนที่ยังไม่ตายมันต้องถ่ายภาพคนตายสิแล้วอย่างเงี้ยปาดไว้ที่หน้าศพถ้าไม่อยากให้เห็นศพก็เอาภาพของศพปาดไว้ก็ยังดีงานศพของพอหลังเขาดีตรงนี้ดีกว่าเราเนี่ยเขาให้ไปดูศพในในโรงเวลาเราไปคาราวาศพเนี่ยก็ เ, เปิดฟ้าลงให้ดู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 ก็รู้ว่าเป็นยังไงศพตายสามันขึ้นอืด น, นะศพตายแล้วมีมีนอนมีอะไรมาแทะมีหมามากัดมีแรงมากัดมากินนั่นะต้องดูสภาพศพอย่างนั้นกันนั่นหละคือตัวเราคือร่างกายของเราที่ต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนั้น ถ้าเห็นอย่างนั้นนะมันจะได้สลดสังเวชสะเทือนใจแล้วมันจะทําให้เราเตื่นขึ้นมาจากความหลงที่คิดว่าร่างกายของเรานี้มันจะรับใช้เราไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างไม่มีวันสิ้นสุด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 นี่คือจุดที่จะทำให้เราได้หักเหชีวิตของเราเพื่อเข้าหาหาธรรมกันเพราะเราจะเริ่มเห็นว่าร่างกายที่เราเอาศัยเป็นเครื่องม้เครื่องมือหาความสุขให้กับเราเนี่มันจะต้องมีวันหมดสภาพไปแล้วหลังจากนั้นเราจะทำอย่างไร เราก็ต้องหาอย่างอื่นมาให้ความสุขกับเราต่อก็พอดีได้เห็นพระเห็นนักบวชอตตจ้าก็ทราบว่านักบวชนี่เขาหาที่พึ่งที่ไม่ใช่ร่างกายท่านก็เลยสนใจอยากจะไปเป็นนักบวชมงอยากจะหาที่พึ่ง มาทดแทนร่างกายนักบวชเขาแสวงหาความสงบเพเวลาใจสงบแล้วใจก็มีความสุขความสงบนี้คือธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นคำสอนที่จะสอนให้เราได้พบกับความสงบพบกับความสุข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 หาพระรัตนไตรรัตนะคือเพชรคือปลอยคือธรรมธรร ม, มังสระนังกฐามิพระพุทธเจ้าออกบวชเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างธรรมขึ้นมาสร้างรัตนะหาเพชรหาธรรมพอได้ธรรมแล้วพระองค์ก็สบาย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 เลี้ยงร่างกายให้เจริญเติบโ ต, ต, ตขึ้นมาเพื่อจะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็หาได้ช่วระยะหนึ่งช่วระยะเรียนจบการศึกษาอายุประมาณ25่สิบาำงานส5หปีหาราบยศสรรเสริญสุขอยู่35สหปี หกสิบก็กเกษียณก็มีเวลาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรับยศสรรเสริญที่หามาได้อีกแล้วแต่จะอายุยืนหรือไม่ยืนแต่ไม่เกิน80มันก็ไม่ไหวแล้วพอเลย80นี่ก็เตะปี๊บไม่ดังแล้วไม่มีแรงเตะปี๊บแล้ว ตอนนั้นก็ถ้ามาเจอพระพุทธศาสนาก็อาจจะเข้าวัดเข้าตอน8ปดสิบแต่มันก็ไม่มีไ ม, ไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะปฏิบัติปฏิบัติก็ได้ไม่มากฟังศึกษาก็ไม่ได้มากฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ได้มากมายสายไป กวนจะศึกษาตั้งแต่อายุยี่สบถ้าบวชอายุยี่สบนี่โอกาสที่จะได้มีธรรมเป็นที่พึ่งนี้มีมากดูพราอาจารย์ต่างๆที่ท่านเป็นพระที่หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายท่านก็บวชกันตั้งแต่อายุยี่สบกัน เป็นส่วนใหญ่มีบางท่านบางองค์ก็บวชช้าหน่อยแต่ก็ไม่ช้าเกินไปสี 40, ่สิบนี่บางองค์ก็สี่สิบมีอยู่องค์นท่านบวชตั้งแต่อายุหกสิบน้องหลวงปู่ตันนี่ได้ยินประวัติตตของท่านเป็นลูกศิษย์ของน้องตามหาบววอายุหกสิบแล้ว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 ก็ต้องมีการโฆษณาไปเรื่อยๆพอผู้ที่ได้เห็นโฆษณาว่าสินค้านี้ให้ความสุขแบบนั้นให้ความสุขแบบนี้คนเห็นโฆษณาก็อยากจะได้แะฉนันใดเราก็ต้องดูโฆษณาของพระธรรมคาสอนดูรำดูโฆษณาดูเห็นดูคุณค่าของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสลง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 บางคนแค่ห้าสิบหกิบก็ไปก็มีบางคนก็สี่สิบสามสิบนถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้เราจะไม่เห็นโทษของมันเราจะคิดว่ามันจะให้ประโยชน์กับเราให้ความสุขกับเราไปตลอด ที่พ อ, อเล่าให้ฟังว่าพ อ, อาคนก่อนที่กเกษียณไปไม่กี่วันก็เสียชีวิตแล้วแต่ก็ขึ้นช่วงที่จะใกล้เกษียณนี่ก็ขึ้นมาฟังเทศฟังธรรมมาอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดอยู่อย่างสม่ําเสมอก็ดีก็ยังมีโอกาสได้ตักตวงบุญตักตวงที่พึ่งทางใจไปได้บ้าง แต่ไม่รู้ว่าได้ขนาดไหนเธอเองก็คงไม่คิดว่าจะต้องตายในอายุนั้นหรอกเหมือนกับพวกเราเราก็คงไม่คิดว่าเราจะต้องตายในอายุนั้นเพราะความคิดแบบนี้มันจึงทาให้เราประมาทไม่รีบขวนขวายสร้างที่พึ่งใหม่กันเพราะเราคิดว่าที่พึ่งเก่าที่เรามีอยู่นี่มันจะ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 โฆษณาครั้งแรกนี้ก็มีสาวกปรากฏขึ้นมาหนึง่งรูปฟังแล้วติดใจขอสมัครเป็นสมาชิกอาญญานโกนตัญญะเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมองค์แรกในพระพุทธศาสนาหลังจากที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าลัางแล้วก็หูตาสว่างขึ้นมาเห็นว่าออที่พื้นของเราตอนนี้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 คนที่อยู่ทวีปอเมริกากับคนที่อยู่ทวีปนี้ก็ไม่รู้ว่ามีอยู่กันเขาก็ไม่รู้ว่าเรามีอยู่ที่นี่เราก็ไม่รู้ว่ามีเขามีอยู่ที่นั่นเพราะเราไม่ไม่ได้เดินทางติดต่อกันพอมาอมนุษย์เราสร้างโรงสร้างเรือขึ้นมาสามารถนั่งเรือไปก็เลยได้ไปพบกับทวีปใหม่ก็ไปเจอคนที่เขาอยู่ในทวีปนั้นกัน แต่เขาก็มีความรู้มีอะไรไม่เหมือนกับเราพวกเราโชคดีมาเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนารู้สึกพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนี่มีอยู่พันกว่าปีถ้าจำไม่ได้ศึกษาว่ามีพระอาหารหันต์สองรูปท่านเดินทางมาจากประเทศอินเดีย มาเผยแผ่พระศาสนาในดินแดนสยามคิดว่าหนึ่งพันปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าจากไปแล้วถ้าหนึ่งพันปีก็อยู่ศาสนาพุทธก็มาอยู่ในประเทศไทยประมาณพันห้าร้อยกว่าปีก็เลยฝังลึกในในดินแดนของเรา เราทุกคนเกิดมาก็มีพระพุทธศาสนาฟังอยู่ในใจกันเแต่ว่าฝังแบบไม่ลึกฟังแบบไม่ไม่แ น, น่คือเรารู้จักพระพุทธศาสนาตามธรรมเนียมประเพณีมากกว่ารู้จักพระพุทธศาสนาจากโฆษณา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 ไม่มีใครเปรียบเทียบให้ฟังว่าความสุขทางธรรมนี่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางโลกถาวรนไม่เหมือนทางโลกที่เป็นความสุขชั่วคราวความสุขที่จะต้องหมดไปแล้วกลายเป็นความทุกข์ตามมาเวลาเราเสียความสุขทางโลกไปอะไรจะตามมาก็ครองความทุกข์เวลา เวลาจะต้องกเกษียณอายุราชการนี่อยา ก, กเกษียณไหมก็อยากจะไม่ให้มีวันกเกษียณอยากจะทำไปเรื่อยๆทำไปก็มีลาบมียศให้ได้ เ, เสพได้ใชอพอถึงวันกเกษียณแล้วหมดละยศก็หมดไปละ ลาคือเงินเดือนก็หมดไปแล้วได้ก็อาจจะเป็นบําบนาญบําเหน็จไปเอจึงไม่มีขยะกระเสียงกันใช่ไหมถ้าลองให้ลงประชามติระหว่างข้าราชการด้วยกันว่าจะให้มีวันกเกษียงหรือไม่มีนี่คิดว่าจะเสียงจะออกมาทางไหนให้ลาออกเองด้วยความสมัครใจถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากออกก็ทําไปจนวันตาย รารองได้ว่าไม่มีใครอยากจ ะ, กะเกษียณเพรา ะ, กระเกษียณแล้วมันทุกข์ใช่ไหมมันเสียความสุขเสียราบเสียยศไปนี่แหละคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของราบยศสรรเสริญนี่เราเรียกว่าอานิจจงอนิจจาเป็นของชั่วคราวมีเจริญแล้วก็มีเสื่อม มีเกิดแล้วก็มีดับอนาตตาก็คือไม่ใช่ของเราเดี๋ยวตำแหน่งนี้ก็กลายเป็นของคนอื่นไปเดี๋ยวพ อ, อย้ายไปห่ือเสียณไปก็คนอื่นพ อ, อใหม่ก็มาแทนที่เป็นของเราชั่วคราวถ้าเรายึดเราติดเราก็จะเสียใจเวลาที่เราเสียมันไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาความสุขที่ได้จาก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 ความสงบนี้ได้เท่าเทียมกันทุกคนอยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเอง <Yeah. S 1> พวกเรานี่มีสิทธิ์เหมือนกับพระพุทธเจ้ามีสิทธิ์เหมือนกับพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายเพราะท่านกับเราก็เป็นมนุษย์เดินดินเหมือนกันมีอาการสามสิบสองเหมือนกันมีตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันมีสติปัญญาความรู้ความคิดเหมือนกันสามารถที่จะ เป็นพระอหรหันได้ที่กันทุกคนเหมือนกับนักศึกษาที่เขาสามารถจบปริญญากันได้ทุกคนใช่ั้ยอยู่ที่ว่าเขามีความพยายามมีความสามารถที่จะศึกษาปฏิบัติตามที่มหาลัยได้วางหลักสูตรไว้หรือไม่ถ้าเขาขยันเขาตั้งใจก็ได้ที่นทุกคน พวกที่ไม่ได้เขาเพราะไม่ตั้งใจกันโดเลแทนที่จะเอาเวลามาศึกษาก็เอาเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นก็เลยเรียนไม่จบกันไปมีแฟนกันซะก่อนไปมีแฟนมีลูกกันซะก่อนก็เลยเรียนไม่จบกันแต่คนที่ตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษา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 พอเราได้อยู่ใกล้ชิดกับบัณฑิตได้ยินได้ฟังคาสอนของเขาเราก็ฉลาดขึ้นมาจนในที่สุดเราก็กลายเป็นบัณฑิตขึ้นมานเวลาเรารับประกาศนีบัต์รับปริญญาเขาก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตแล้วเนติบัณฑิตวิสาบัณฑิตเพราะว่าเราได้อยู่ได้คาะกับบัณฑิต ท่านถึงบอกการครบบัณฑิตนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจะทำให้เราได้กลายเป็นบัณฑิตไปแต่เราอยากจะเป็นพระสาวกเราก็ต้องไปคบกับพระพุทธเจ้าคบกับพระอาลันตาสาวกคบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่นานเดี๋ยวเราก็กลายเป็นพระสาวกขึ้นมาพระพุทธเจ้ามีลูกชายอยู่องค์หนึ่งพระลาหุน่น เวลาที่สั้นหลังจากที่พระเจ้าทรงตัดจะรู้แล้วก็ไปเยี่ยมแม่ก็เลยบอกให้ไปขอมรดกจากพ่อจากพพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกมรดกของเราก็คือเป็นพระอารหันต์นะก็เลยจับไปบวชเลยจับไปบวชตั้งแต่อายุ67ขวบนะั่นแล้วก็ได้อยู่ได้ศึกษากับพระพุทธเจ้ามีพระสารีบุตรเป็นพี่เลี้ยงเป็น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 เราไปอยู่กับพวกที่หาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรักันเราก็เลยได้แต่ราบยศสรรเสริญได้ลูปเสียงกลิ่นนันเราก็เลยไม่ได้ทำกันถ้าเราไปอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปอยู่วดัดเนี่ยไปบวชไปอยู่วดัดเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กายเป็นพระสาวกขึ้นมาเองพระสาวกทั้งหลายที่เรา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 พอกเกษียณจากงานนี้ก็มีงานอื่นทำต่อมันก็ไม่ทุกข์แต่ไม่ทุกข์กับกา ร, กรเกษียณเพราะรู้ว่าต้องกเกษียณ ง, งานนี้ไม่ใช่ของเราตําแหน่งนี้ไม่ใช่ของเราต้องคืนเจ้าของเข้าไปร่างกายเราก็เป็นเหมือนงานนี้ร่างกายของเราก็ต้องกเกษียณอายุร่างกายมันก็ไม่ได้เป็นของเราเราไปยืมมาจากดินน้ําลมไฟ มาปั้นให้กลายเป็นร่างกายนี้ขึ้นมาเอาดินมาผสมกับน้ำเอาลมเป่าเข้าไปเอาไฟเป่าเป่าเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นคนขึ้นมากลายเป็นร่างกายนี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องแยกตัวกันไปดินก็ต้องไปทางดินน้ำก็ไปทางน้ำลมก็ไปทางลมไฟก็ไปทางไฟไม่มีใครยับยัง การแยกสลายของดินน้ำลมฝสได้มันเป็นธรรมชาติ<ม>ที่มันมีรวมตัวแล้วก็มีการแยกตัวกัน<ม>ถ้าเรารู้ล่วงหน้าก่อนเราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้อ่ะเตรียมรับกับวันที่มันจะแยกกันพอมันแก่เราก็จะไม่เติร์นเต้นเดือดร้อนมันเจ็บมันก็ไม่ตื่นเต้นเดือดร้อนมาแทนทําแทนมันถ้าเรามีธรรมนี่เราจะไม่เดือดร้อน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 พึ่งของที่ไม่ถาวรไปพึ่งในของที่ถาวรอันนี้ไม่ดีเลยก็ดีกว่า <S <S จากลองไปเป็นอาทิย์บดีนี่ใครก็อยากไปทั้งนั้นแต่ถ้าทางกลับนี้ไม่มีใครอยากไปอยากอาทิย์บดีมาเป็นลองนี่ไม่มีใครอยากจะไปกันหรือจากอาทิย์บดีไปศูนย์โดยยิ่งแย่ใหญ่เลยเวลากเกษียณปั๊บนี่มันก็ศูนย์กลับไปที่ศูนย์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 นี่คือจุดหักเหของจิตใจของพวกเราจากการที่เราไปเห็นาราบยศสรรเสริญสุขนี้ดีกว่าธรรมเมื่อเรามาฟังเทศฟังธรรมเราได้รับการเปรียบเทียบให้เห็นว่าธรรมนี้ดีกว่าราบยศสารเสริญสุขเราก็เปลี่ยนหักเหทิศทางของการเดินของเราได้ ต่อไปนี้อาจจะเริ่มรักษาศีลแปดทุกวันพระแล้วก็ได้ทําบุญทุกวันใส่บาตรทุกวันวิธีใส่บาตรโดยที่ไม่ต้องมีพระมาก็ทำได้เอาเงินที่จะใส่บาตรนี้ใส่กระปุกไว้ก่อนก็ได้อยากจะทําบุญใส่บาตรวนละยีสบาทก็ใส่ไปพอถึงเวลาจะทําบุญก็เอาเงินที่ใส่บาตรนี้เงินใส่กระปุกนี้ไปทาบุญได้เลยเราจะได้ มีเงินไปทําบุญถ้าเราไม่เก็บเงินทําบุญไว้เดี๋ยวเวลาถึงเวลาจะไปทําบุญก็อะไม่มีเงินใชะะ่ไหยไม่ได้ไปนะเพราะมัวแต่เอาเงินไปเที่ยวไปอะไรกันซื้อของฟุ่มเฟือยกันพอถึงเวลาจะไปทําบุญก็ทําไม่ได้เริ่มทําได้ก็น้อยเช่นวันเกิดก็อาจจะทําได้นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ถ้าเราทําทุกวันทุกวันสะสมไว้ก่อนพอถึงวันเกิดเราโอ้เรามีเงินเป็นหมื่นทําบุญได้เลย อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราควรที่จะทำกันเพราะถ้าเรารอวันที่เราจะทำแล้วเราไม่เก็บเงินเก็บทองไว้ทำมันจะทำไม่ได้มากมันจะทำแบบเป็นพิธีไปมากกว่าทำพอเป็นพิธีมันก็ได้น้อยแต่ถ้าเราทำทุกวันนี้มันจะติดเป็นนิสัยแล้วพอถึงเวลาทานี้เราจะมีเงินทาได้เยอะ ทำบุญทำทานไปเรื่อยๆทุกวันวันธรรมดาก็รักษาศีลห้าไปเป็นเทพไปวันพระ ก, ก็มาลองหัดเป็นพรมกันมาเถอศีล8ปมานั่งสมาธิปิด ท, วดดทวีวีปิดตู้เย็นใส่กุญแจไม่เปิดหลังจากเที่ยงวันไปแล้วปิดตู้เย็นล็อกกุญแจฝากกุญแจไว้คนอื่นปิดทีวงทีวี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 แต่ถ้าไม่หัดจนวันตายมันก็พิมพ์ไม่ได้อยู่ดีถ้าไม่มาหัดถือศีลแปดจนวันตายก็ถือไม่ได้เชื่อไหมถ้าไม่มาหัดนั่งสมาธิจนวันตายก็นั่งไม่ได้แต่ถ้าเริ่มหัดเอาวันพระเอาสักวันหนึ่งวะมาหัดนั่งสมาธิกันมาหัดถือศีลแปดกันเดี๋ยวมันก็ใครมันก็ทําได้อยเองทําได้มันก็อยากจะทํามากขึ้นเพราะมันดีอ่ะคนที่หัดขับรถได้แล้วเลิกขับไหมไม่เลิกอ่ะ ขับไปแล้วทีนี้ก็หารถขับแล้วสิ <Okay. S 1> ขับไปจนวันตายแล้วทีนี้ขับไปจนก่าจะขับไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราได้รักษาศีลแปดแล้วจะติดใจเรานั่งสมาธิได้แล้วจะติดใจก็อยากจะทำมากขึ้นไปเองจากวันหนึ่งก็เป็นสองวันจากสองวันก็เป็นสามวันแล้วพอเกษยียณก็ทำมันทุกวันเลยก็ได้นี่คือ ขั้นตอนของการที่เราจะหันเหชีวิตของเราจากทางที่พาเราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดให้ไปสู่ทางที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายกันอีกต่อไป <c oughs> เริ่มต้นที่การศึกษา <c oughs> การดูโฆษณาของพระพุทธศาสนา <c oughs> การฟังเทศฟังธรรมการอ่านหนังสือธรรมะนี้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 ถึงจะสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทางปวงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้ผ่อนมาอย่างไรมาจากไหนเหลยมาจากท้องีมีอะไรเหรอจะเพอจะมีวันนั่นใจบ น, นองควดอ เมื่อนนั่งใจไมมารถบวานไดาต้องไปติดต่อกับที่วัดใหญ่ที่ปัญจกุติเบอร์สี่เขาจะรับเรื่องบวชกันข้างบนนี่ไม่ได้รับบวชข้างล่างก็เต็มแล้วค่ะเต็มแล้วก็เต็มเลยเนี่ยที่นี่ก็เต็มแล้วคนบวชกันเยอะมันก็เต็มมหาลัยเขาก็มีโคต้าเต็มเขาก็รับไม่ได้ เราต้องไปหาวัดที่เขาไม่เต็มบวชวัดไหนก็ได้มันอยู่ที่รัวตัวเราไม่ได้อยู่ที่วัดอยู่ที่การปฏิบัติอ น, นี้ธรรมะธรรมสอนก็สามารถศึกษาได้จากหนังสือจากซีดีจากาจากสื่อต่างๆงั้นบวชวัดไหนก็เหมือนกันสามารถเอาคําสอนของครูบาอาจารย์ที่เราศรัทธาไปไปศึกษาไปปฏิบัติได้ไม่ต้องไปอยู่วัดเดียวกับท่านก็ได้ ถ้ามันไม่มีที่ถ้ามีที่ก็ดีก็บวชไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอมีที่เราก็มาอยู่ได้ออข้างบนนี่ไม่มีบวชจะจะบวชต้องบวชที่วัดล่างอแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คนบวชถวายในหลวงกันเยอะก็เลยไม่มีที่ก็ต้องไปบวชที่วัดก็ไม่มีที่ไม่มีคนก็บวชกันไปยี่วัด คนน้อยอดีวัดเยอะๆก็อ่าอยู่ที่นั่นเหมือนกันเอาหนังสือซีดีไปอ่านไปฟังไปปฏิบัติกันก็เหมือนกันติดตามถ่ายทอดสดได้ทุกวันเดี๋ยวนี้ศึกษาทางไกลได้โดยไม่ต้องอยู่ด้วยกันมีใครอยากจะถามอะไรไหมช่วงนี้เป็นช่วงเปิดโอกาสให้ถาม คำถามต่างๆดังๆหน่อยดังๆหน่อยเยินเสียงหนูฟังหนูฟังซีรีสศสนาที่พระอาจารย์เคเทศนะคะพระอาจารย์ก่าว่ า, าการที่เรานั่งสมาธิเราเจอเวทนาเนี่ยเราเราสามารถถ่ายด้วยสติเช่นบริกรมรมฟโพเนี่ยประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือเราเราจะรู้ได้ว่าเวทนานั้นมันไม่ได้ไม่ได้อายกาดึแางแรงทำให้เราเป็นอะไรไปแลครั้งต่อไปเราก็จะได้ใช้ปัญญา กล้าที่จะใช้ปัญญาในการที่จะตัดมันเพราะเรารู้ว่ามันไม่ไม่ทำลายแล้วคราวนี้แสดงว่าเวลาที่เราถ้าเกิดเราเคยผ่านมาด้วยสติแล้วเนี่ยครั้งต่อไปที่เรานั่งนั่งสมาธิเราจเจอเวทนาเราควรจะใช้ปัญญาดับเวทนาทุกครั้งใช้ได้ก็ดีถ้าใช้ไม่ได้ก็ใช้พุทโธไปก่อนใช้สติไปก่อนเพราะปัญญานี่มันก็มันก็เป็นของที่ที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาให้เราเห็นว่ามัน มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นว่าเวทนานี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างชัดเจนเราก็จะปล่อยเหมือนถ้าเราจับงูแล้วเราไปคิดว่าเป็นปลาไหลเราก็จะไม่ปล่อยพอเราใช้ไฟเห็นมันว่าเป็นงูพิษเราก็จะปล่อยทันทีเราต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างชัดเจนแล้วเราก็จะปล่อยเห็นว่ า, าทุกเราทุกเพราะเราไปอยากให้มันหายพอรู้ว่ามันทุกเพราะอยากให้มันหาย <S <S <S แล้วก็ หยุดอยากเมื่อมันจะอยู่ก็อยู่ไปมันก็หายทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามันไม่เห็นทุกข์มันก็จะไม่ปล่อยถ้ามันไม่เห็นอนัตตาว่าห้ามมันไม่ได้มันก็ไม่ปล่อยบางทีคือความทุกข์หรือเวทนาแต่ละแต่ละชนิดที่มันเกิดอะค่ะบางทีถ้าเราดับได้อย่างหนึ่งแล้บางทีมันก็ยังไม่ไม่สามารถดับอย่าง ่ ม, มือกนันไม่ได้ก็ดับไปสิอันไหนไม่เหมือนกันก็มันคนเ อ, อมันคนละตัวกันคนละคนเงนี้นตัวไหนที่ยังดับไม่ได้ก็ต้องดับไปตัวนี้ไหนดับได้นะมันก็ไม่มีปัญหาแล้วคราวนี้พอถ้าเกิดดับได้เนี่ยก็คือใจมันก็สงบลงคราวนีหน้หนูหนูไม่แน่ใจอย่างคือว่าถ้าเกิดเราเราใช้ปัญญาแล้วมันใจสงบได้แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้สติจเจริญสติไปเนี่ยมันจะรวมได้ลึกกว่าหรือเปล่าไม่แล้วปัญญามันลึกกว่า ปัญญามันถองลากถองโคนเลยมันนึกเท่ากันน่ะถ้ามันรวมก็รวมเท่ากันแต่ว่ารวมแบบสตินี่มันมันรวมเป็นครั้งเป็นคราวไปเจอมันที่ไรก็ต้องมันก็ยังไม่ตายถ้ารวมแบบปัญญานี่มันตายมันไม่กลับมาไม่มีใครว่าอะไรนะจะได้คนทางบ้านเขาว่ากันบ้าง อ้าวเชิญทางบ้านโทนี่มาฝาบวันนี้โทนี่ where are you <laughs> how are you คำถามจากคุณจิรพัฒนะครับหากว่าบวช ด, ด้วยศรัทธาและอยู่ในสำนักที่มีครูบาอาจารย์ที่มีธรรมะชี้แนะและปฏิบัติธรรมตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์นั้น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 ตัวรู้นี่ไม่มีเกิดไม่มีดับแต่ตัวอาการของจิตนีมีเกิดมีดับคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันเกิดดับเกิดดับเหมือนแสงหิ่งห้อยแต่มันไม่หายมันมีอยู่แตม่มันเกิดดับเกิดดับไปคิดแล้วมันก็หายไปแล้วก็คิดใหม่มันก็เกิดดับเกิดดับแนีน้จำได้แล้วก็ลืมไปแล้วเดี๋ยวก็จำใหม่อันนี้เขาเรียกว่าเกิดดับแต่มันไม่อันตรธานหายไป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 แต่ที่ผิดไปแล้วก็ต้องไปใช้กรรมไปเหมือนทําผิดกฎหมายแล้วเราเปลี่ยนาเลือกเลือกทําผิดกฎหมายเราก็ก็ทําได้เพียงแต่ว่าการกระทําผิดกฎหมายเก่าวถ้าเข้ามาจับเราได้เราก็ต้องไปใช้โทษเท่านั้นเองอต่ถ้าเราไม่ทําผิดกฎหมายอันใหม่มันก็ไม่มีโทษตามมาคำถามจะคุณตันหาภาวะตันหานะครับ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 าบางคนนั่งสมาธิแล้วไม่ได้ก็มีคนที่นั่งสมาธิแล้วได้ก็มีเราเรียกว่าเป็นวาสนาเดิมวาสนาเก่าความสามารถเดิมที่เคยได้ฝึกฝนอบรมมาจากในอดีตเนืงจากบางคนนี่นั่งสมาธิแล้วจิตรวมแล้วก็บางคนก็สามารถาใช้ทวารจิตได้บางคนก็ไม่มีทวารจิตใช้ในทางปฏิบัติเพื่อหลุดพ้ันนี้ก็ไม่สําคัญ เพราะโทรจิตนี้ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดังนั้นก็เลยไม่เป็นประเด็นสาคัญสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์จะมีโทรจิตก็ได้ไม่มีโทรจิตก็ได้ไม่สาคัญมีก็อาจจะไม่ดีเพราะอาจจะทำให้หลงทางได้แทนที่จะไปทำจิตให้สงบให้มีพลังเพื่อต่อสู้กับกิเลสก็เอาจิตมาเล่นกับโทรจิต กาเป็นห ม, หมอดูทํานายทายทักไปก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปเอามาเป็นเครื่องมือท ร, ร ม, มาหากินหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายไปก็เลยไม่หลุดพ้นจากความทุกจากการที่เรามีความสามารถพิเศษนี้แต่เอาความสามารถพิเศษนี้มาผูกให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไป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 ถ้าคนที่ได้พวกของพิเศษแบบเนี้ยแต่จิตยังไม่ถึงโลกุตละยังเป็นโลกียอยู่ถ้ามันเสื่อมแล้วก็มีโอกาสทํากลับกลืนมาได้อย่ารคะก็อย่างที่บอกวนะ่ามันให้ไปทางโลกุตละเนี่ยอย่ามาทางนี้ที่บอกให้ไปไปให้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้ไปทางโลกุตละเนี่ยแต่ไปโลกุตละแล้วมันก็ มันไม่เสื่อมแล้วที่ก็กลับม า, าใช้พวกนี้ทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้ายังไม่ถึงโลกุตตะละน้มามัวแต่ใช้อย่างนี้มันก็ไปไม่ถึงสักทีเหมือนนักศึกษาที่ไม่ยอมเข้าห้องห้องศึกห้องเรียนไปทํากิจกรรมอยู่เรื่อยๆทากิจกรรมนอกห้องเรียนเวลาสอบก็สอบตกสอบตกเดี๋ยวก็ดีทายอยู่ไม่ได้ พอไม่ไปทำกิจกรรมที่ตนเองควรจะกระทาคือเข้าเข้าห้องเรียนเพื่อไปทำการบ้านเพื่อไปเตรียมตัวสอบมัวแต่ไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนพอถึงเวลาสอบก็สอบไม่ผ่านพอสอบตก บ, บ่อยๆเขาก็ไปให้ออกเหรียนอันนี้ก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติแล้วไม่ไปดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปมัวแต่ไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นไปช่วยคนอื่น ไปสั่งสอนคนอื่นไปอะไรต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับการมาทาหน้าที่ของตนเนียหน้าที่ของตนก็ไม่ได้รับการดูแลมันก็เรียนไม่จบปฏิบัติไม่ไม่หลุดพน้นก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปพระอาจารย์ครับขออนุ ญ, ญาตเสริมนะครับอขออนุ ญ, ญาตนะครับสำหรับผู้ที่ถามเรื่องโทรจิตนี่เป็นพระผู้พึ่งบวชใหม่ครับรอาจารย์ อาจารย์จะแนะนํำเลยว่าไม่อภัยควรก็นดิก็พูดแล้วไงไม่ไปสนใจทําใจให้สงบรวมเป็นสมาธิก่อนดีกว่าแต่มันจะไปทางโทรจิตก็ดึงมันกลับมาอย่าปล่อยให้มันไปดึงด้วยสติเนี่ยดึงด้วยพุโทโธพอมันจะไปโทรจิตก็ดึงมันกลับมาให้มันนิ่ ง, งเฉยๆสักแต่ว่ารู้ไม่โลภไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงต้องการตัวนี้ต่างหาก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 พอมันโดนแล้วมันก็จะร้องอ๋อถ้ายังไม่อ๋อก็ยังไม่รวมพูดไปก็เหมือนบอกคนตาบอดว่าสีเขียวสีแดงเป็นยังไงบอกไปมันก็เออเออไปอย่างนั้ น, น, นขี้เกียจพูดพูดกับคนตาบอดไม่อยากจะพูดเรื่องสีพูดกับคนไม่นั่งสมาธิไม่อยากจะพูดเรื่องจิตรวมว่าเป็นยังไงพูดไปก็เหนื่อยปากเสียน้ำลายบ่างคาถามจากคุณกรุงสยามนะครับพระที่ท่านอาบัต แล้วไม่ปรง่งถ้าตายไปจะได้รับโทษอะไรครับก็ยังก็ทำบาปมันก็ไปรับโทษของบาปถ้าไม่ปรงมันก็ชาติหน้ากลับมาเกิดเป็นพระใหม่มันก็ทำซ้ำอีกที่ให้ปรงเพื่อจะได้ไม่ไม่ทำซ้าให้ไปสารภาพไปประจานตัวเองกับผู้อื่นไงไปบอกกับพระอีกรูปว่าผมทำผิดข้อนี้แล้วต่อไปนี้ผมจะพยายามไม่ทาอีกต่อไปแต่ถ้าไม่ไปบอกใครนี่ก็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 เพราะการทำตามความอยากเป็นการไปซื้อภพชาติไปซื้อการเวียนว่ายตายเกิดเอาเงินมาทำบุญแล้วมันจะตัดภพตัดชาติตัดความอยากให้น้อยลงไปมันก็ต้องทำจนกระทัง้งไม่มีทำนั่นและแล้วมันจะได้ไปบวชได้ถ้ายังมีเงินอยู่มันก็ยังไปไม่ได้เพรามะมันยาเอาเงินไปซื้อไปซื้อความสุขต่างๆไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นกันะนั้นเอาเงินที่จะไปซื้อ พบชาตินี้เอามาซื้อม า, มาตัดพพชาติด้วยการเอามาทำบุญการทำบุญนี้เป็นการตัดพบชาติด้วยเงินทองการเอาเงินไปซื้อของตามความอยากนี้เป็นการไปซื้อพบชาติด้วยเงินทองเราไม่ต้องการเวียนไหวตามเกิดเราก็ต้องเอาเงินไปทำบุญทุกครั้งที่เอาเงินไปเที่ยวไปทำตามความอยากก็ ต, ต้องเอามาทำบุญแทนคำถามจากคุณนาโนนะครับฌานสมาธิ วางจิตอุเบกขาสติบริสุทธิ์อย่างไรครับมับนี้่เกี่ยวกับบริสุทธิ์อย่างไรมันารสมาธกิก็การทำใจให้สงบออบริสุทธิ์ก็ต้องทำจัดกิเลสโลภโกรดหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจทั้งเรียวกา บ, บริสุทธิ์คำถามจ้คุณพินแคนนะครับทั้งๆ ท, ที่วางอารมณ์เหมือนเดิมแต่ใจยังไม่นิ่งเหมือนวันก่อนๆ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 เดี๋ยวกำลังพิมพ์กันอยู่คำถามจากคุณราณีนะครับตั้งแต่กับจากฟังพระอาจารย์เทศหนึ่งครั้ง <c oughs> เมื่อ5พฤศจิกายนและก็มาฟังท่านเทศในเทปอื่นบ้างมันรู้สึกอินเข้าไปกับเรื่องทุก์จากการเรียนจากการเวียนไหวตายเกิดและทุกจากการ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 เมื่อวานนี้เข้าถึงแค่แสนกว่าวันนี้ถึงเท่าไหร่แล้วเข้าถึงที่โรงแรมธรรมดามันสองแสนกว่าสามแสนเมื่อวานสามแสนกว่ามืม่านี้แสนกว่าหายไปไหนกันหมดไหมล่ะใช้ปฏิบัติเข้าไปจ้ตอนนี้แสนแปดแล้วเหรอไปบวชจนหมดแล้ ว, ลวต่ตอนนี้แสนแปดเดี๋ยวก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็สองสามแสนขึ้นไปแล้วอันนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ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 สมาธิจากการเจริญสติแต่ไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการไ ม, ไม่ควรไปให้ความสำคัญกับมันไม่ต้องไปสนใจมันถ้ายังไม่สงบก็พุโทโธต่อไปอย่าหยุดพุดโทโธอย่าไปหยุดดูมันเหมือนขับรถจะกลับบ้านไปกลางทางเขามีหนังฉายก็เลยแวะดูหนังเดี๋ยวก็ไม่ถึงบ้านถ้าอยากจะกลับบ้านก็ขับรถไปเรื่อยๆกลางทางเขาจะมีอะไรก็ไม่ต้องจอดรถลกไปดูอย่าเสียเวลา อย่าทะเลทะลายพูดง่ายๆนั่งสมาธินี้เพื่อให้ใจว่างใจสงบใจเป็นอุเบกขาถ้ายังไม่ถึงความสงบอุเบกขาก็ภาวนาไปต่อพุทโธไปต่ออย่าหยุดถ้าไปเห็นแสงเห็นสีอะไรขึ้นมาเราหยุดไปดูมันมันเดี๋ยวก็ไปไม่ถึงมันก็จะจอดอยู่ตรงนั้นมีผู้ถามเกี่ยวกับเรื่องอมรรคมีองคป8ครับจะให้ไปดู u ูทูบไอ a c e b o o k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 ทางทาง u ูทูไม่มีอะไรเข้ามาเลยเลยมีไหมคำถามไม่มีเลยเลยตรง น, นี้โทนี่มาอย่างนี้ม่มาไมกำกับผู้กำกับผู้กำกับผู้ับผ่้กำกับผู้กำกับผ้กำกับผู้กำกับผู้กำกับผ้กำกับผำกับผ้บ้ก้กับ้ก้กำกับผับไู้ก้กำกับผู้กำกับผ้ก้กบ้้บั้ เขาทำได้ก็บุญจากการช่วยเราเฝ้าบ้านอย่างเงี้ยหามะเหา่าเวลาอะไรเขาก็ทำบุญแบบนั้นไปตามฐานะของเขานีา่ทำบุญแบบฐานะของเราก็สัตว์บางตัวก็ทำได้อย่างพระพุทธเจ้าไปอยู่กับช้างกับลิงไงช้างกับลิงก็รับใช้พระพุทธเจ้าเอาน้ำพงน้าพึ่งมาถวายพระพุทธเจ้าแสดงว่าสัตว์พวกนี้ฉลาดรูด้จักทาบุญ เขาต้องรู้จักทำเองเราหรือเราสอนให้เขาทำก็ได้ถ้าเราสอนเขาแล้วก็ทำได้ก็เช่นเราสอนให้เขาไปคาบหนังสือพิมพ์มาให้เราอย่างนี้พอทุกวันเวลาเขามาส่งหนังสือพิมพ์มันเห็นหนังสือพิมพ์มันก็จะคาบมาให้เราเขาก็ได้ทาบุญแล้วเราก็ได้รับใช้ผู้อื่นการรับใช้ผู้อื่นนี่ก็เป็นการทาบุญอย่าง ก็คุยเข้าได้ะก็ฟังนู้เรื่องมาแต่ไม่ออกเขาสงบเราบางทีฟังยังไม่เข้าใจแล้วหมามันจะฟังแล้วจะเข้าใจเลี้ยงมาฟังพระที่พูดบาลีเยอะๆนี่ฟังแล้วงงไหมคำมันก็บาลีคำก็บาลีฟังไปแล้วยังงง แล้วหมามันจะไปฟังภาษาพันภาษาคนู้วเรื่องฮชแต่ถ้าเขาไม่มากวนเราเนี่ยทําเพื่อความเมตตาก็ทํำไปนะครับอจาย์หมายว่าเราเข้ามาได้ก็ไม่เป็นไรใช่ก็อยากจะนั่งเฉยๆกําเราก็เขาก็นั่งสมาธิไปแต่ก็นั่งเฉยๆก็แสดงว่าเขานั่งสมาธิไปคําถามจากคุณเจตตลินนะครับเวลานั่งสมาธิจิตสงบนิ่งดี แต่อยู่ๆก็เกิดภาพคนนอนนิ่งและค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นภาพกระโหลกศรีรษะและกระดูกลูกขอถามว่าเป็นอาการของอะไรครับ mm hmm. เพราะเห็นภาพแล้วตกใจกลัวก็เป็นเรื่องของจิตนี่แหละจิตที่มีภาพเหล่านี้ฝังอยู่ในใจเวลาจิตสงบภาพเหล่านี้บางทีมันก็โผล่ขึ้นมาได้ถ้ามันมีอยู่ในใจอยู่ในจิตในใจของเราถ้าเราต้องการปัญญาถ้าเห็นภาพเหล่านี้ก็ควรที่จะ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 ถ้าปีหนึ่งมาบวดกันสักครั้งหนึ่งก็มันก็มันกไ็ไม่ไม่มีวันที่จะไปได้หรอกมันไม่พอกำลังไม่พอคำถามจากคุณตาล น, นะครับขอถามในส่วนของศีลห้าของคารวาดเช่นข้อหนึ่งปาณาติบาตห้ามฆ่าชีวิตนี่รวมถึงการทำร้ายโดยไม่เสียชีวิตด้วยหรือไม่ครับข้อสี่มุสาวาด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 ตีเขาเขาก็มาตีเราให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันส่วนข้อที่สมุสาในสินห้ในสิ 5, นส8นี่เพียงแต่หมายถึงคำโกหกเท่านั้นเองคำสอคำ่อเสียดคำอ่าคาหยาบคำอะไรนี้ไม่ได้อยู่ในสินข้อนี้มันไปอยู่ในอกุศลอกุศล10เป็นสินที่ละเอียดขึ้นไปถ้าเราอยากจะสำหรับพระนี่จะต้องรักษา ไม่พูดคำหยาบนอกจากไม่พูดปดแล้วต้องไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส er. ่อเสียผู้ที่ต้องการมีศีลที่ละเอียดขึ้นก็ต้องถือถือข้อเหล่านี้แต่ถ้าเราต้องการแบบไม่ไม่ละเอียดนะก็แค่ไม่ให้พูดปดเท่านั้นเองคาถามจากคุณนาโนนะครับจิตเกิดดับในปาฏิจัตสมุบาทอย่างไรครับ จิตไม่เกิดดับกิ ด, ดับในปฏิจจสมุปบาทสิ่งนี้เกิดดับก็คือสังขารสังขารวิญญาณอยายะนะอย่เมันเวทนาผัสสะเนี่มันเกิดดับเกิดดับไปตามอาการที่เกิดขึ้นมาตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในปฏิจจสมุปสมุปบาทนี่มันอยู่ในตัวจิตก็จะแบบถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนตัวละครบนเวทีเนี่ยเวทีก็คือจิต ไอตัวละครนี่ก็คือไอตัวที่ในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันก็เล่นกันไปเกิดดับเกิดดับกันไปแต่เวทีก็ยังอยู่เหมือนเดิมพอละครจบตัวเล่นละครกลับบ้านหมดเวทีก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมจิตก็นี่เหมือนกันเวลาจิตสงบก็เหมือนกับตัวละครก็หยุดหยุดเล่นกันชั่วคราวเวลาจิตรวมเป็นหนึ่งศักดแต่ว่ารู้นี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างๆมันก็หายไปหมด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 คำถามจะคำถามจะคุณน้ำมนต์นะครับหนูเป็นคนความดันต่าเป็นปกติน้ำตาลตกและจะเวียนหัวเสมอเวลาที่กินน้อยหรือนอนไม่หลับหนูถือศีลแปดทุกวันและพยายามจเจริญสติตลอดเวลาพอสักสองทุ่มหนูจะเวียนหัวตาลายเนื่องจากความดันต่าและน้ำตาลตกทุกวันหนูจะฝืนเดินจงกรม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 อาจารย์สอนบ่อยๆว่าเป็นลูกห้ามว่าพ่อแม่ให้เราทำเฉยๆช่วงนี้พอดีมีงานศพในเราฟังพระสวัสด์ท่านมักจะพูดคุยกับเพื่อนถ้าเราเติอนท่านจะบาปไหมคะก็ไม่ควรนะไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปเตินพ่อเตือนแม่หมดแล้วใช่ไหมมีข้อครับจากคุณอีซี่อุ๋ยนะครับ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 สติจะเป็นตัวดึงจิตไม่ให้ออกข้างนอกจะดึงจิตเข้าข้างในทีลาปฏิบัติการเพื่อมาสร้างสติเมื่อมีสติแล้วก็จะได้ดึงจิตเข้าข้างในพอข้างในมันมันเข้าข้างในมันก็สงบมันก็เย็นในความสุขมันก็ไม่มีความอยากได้อะไรมันก็หลดพ้นได้คําถามจากคุณขวัญ น, นะครับหากจิตเกิดดับเหมือนหิ่งห้อยหากจิตเป็นทุกข์เกิดทุกข์ใจ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 ลองลงมาก็คือการประพฤติผิดประเวณีลองลงมาก็คือการพูดปดลองลงมาก็คือการดื่มสุรายามางเ ห, หมือนลัใช่มครับอาจารย์มีใครอยากจะถามอะไรั้มก็พอสมควรแก่เวลานะก็ออขอให้เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพนพนิเพจน า, าไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิ